จิตใจที่ยังไม่มีทุกข์ไม่มีร้อจับเขา เ, นะเราจะเห็นผ่านทำไร้เดียงสาที่เป็นศัพท์ที่พวกเราเรียกกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนกว่าจิตใจของพวกเราโดยธรรมชาติจะมีจิตใจที่ก็เป็นจิตใจที่สะอาดไม่ได้มีอะไร ไม่มีสิ่งที่ลบลุงลังเข้ามาแต่สิ่งที่ลบลุงลังก็เพียงแต่ว่าเข้าจอนมาช่วงครั้งช่วงคราวซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกบอกว่าพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะที่เข้าจอนเข้ามาแล้วก็ก็จอนไปไม่มีตัวตนนะเขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ห, นหายไปตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นการยืนยันเป็นการยืนยัน ฉะนั้นนั่นคือการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็เพื่อที่จะให้พวกเราได้ก็เรียกว่าขจัด ข, ขจัดสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจของเราก็ถ้าหากว่าเรายินดีตั้งรับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสิ่งแปลกปลอมตรงนี้ก็เข้ามาครอบครองจิตใจเราก็ทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ปกติ ในปกติจะเป็นจะเ่งเป็นความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามฐานเข้ามาเราก็จะกลายเปเป็นเขาเรียกว่าจิตใจเราเมื่อกลายไปเป็นลักษณะ น, นั้นตัวเราก็จะทํากิจกรรมต่างๆทําจิตต่างๆนานาตามสิ่งที่มาคอบครองจิตใจเราเพราะฉะนั้นคือตัวเรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการที่ทํำยังไง เราถึงจะดูแลกายดูแลใจของเราให้กายใจเราได้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องมือของเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือของความโลภความโกรธความหลงลตรเ น, นี้นะรัก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญที่สุดเพาว่าเราไม่ได้มีกายมีใจแบบนี้มาเพื่อสนองความอยาก เราไม่ได้มีกายมีใจอันนี้มาเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพของตันหงแต่ว่าเรามีกายมีใจอันนี้เพื่อที่ว่าจะเอามาทําคุณงามความดีแล้วก็การทําคุณงามความดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เมื่อจิตใจเราเป็นปกติไม่มีโลคไม่มีโกรธไม่มีหลง ถมัครอบคองตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าหากเราพวกเราได้ปฏิบัติกันปฏิบัติกันอย่างที่บอกว่าเพียงแค่เราฝึกที่จะเป็นผู้ดูอย่างที่พระอาจารย์โนบะบอกว่าสิ่งที่จรมา ก, ก็เหมือนกับเป็นผู้ร้ายเป็นขโมยกระโจนที่ผ่านที่แบบว่าเหมือนปีนขึ้นมากัเราถ้าเราเห็นเขาก็หนีไปแล้วเพรานะะฉะนั้นนี่คือตรงนี้ ถ้าพวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ได้ทาได้ฝึกการเป็นผู้ดูการที่เราจะคอยดูจิตใจเราก็ามีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองเข้ามาผ่านเข้ามาในจิตใจเราไหมตรงนี้ในขณะที่เราดูตรงนั้นก็คือเราก็ได้รู้เราก็ได้เห็นนะสิ่งที่แปลกปลองเข้ามาก็จะหายไปพวกเราเองเราจะเห็นเห็นความไม่เที่ยงผ่าน าการทำํำก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเราพวกเราเริ่มต้นเนี่ยพอพวกเราเริ่มต้นกลับมารู้สึกตัวเราก็จะพบว่าสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจเราก็หายไปเมื่อไหร่เรากลับมารู้สึกตัวสิ่งที่ค้างคาสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในใจเราก็หายไปบางทีการกลับมาใหม่มันก็อาจจะกลับมาซ้ําเดิมหรือบางทีการที่จะมีสิ่งจอมาใหม่อาจจะเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยเราก็จะมองเห็นบ้ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าจอนมาอยู่เสมอๆ อ, อันนี้เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเข้าจอนมาเราก็เชื่อเขาเนาะเราก็เชื่อเขาเขาเข้ามาครอบครองจิตใจเราเราก็เชื่อเข้ามาตลอดตั้งแต่เล็กแต่น้อย <ừ. S 1> การทําตามจดใจตัวเองทีละเล็ทีละน้อยของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําตามความอยากที่เขาเข้ามาที่เขาจอนเข้ามา เราก็ทําตามเขาเชื่อเขาจนกระทั่งตอนหลังๆเราพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็เขาเรียกว่ามีนิสัยอันนึ่งก็คือเชื่อความคิดเราก็เรียกว่าเชื่อความคิดกันอย่างที่เรนะียกว่าอย่างเอาเป็นเอาตายนะอย่างเอาจริงเอาจังกันก็คือความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เชื่อความคิดอะไรเกิดมาก็เกิดขึ้นมาก็เชื่อ คบคิดเอาว่าอย่างนี้น่าจะใช่อย่างนั้นน่าจะใช่เสร็จแล้วเราก็เชื่อเป็นจริงเป็นจังแล้วเราก็ทําตามความคิดของเราเมื่อเราทําตามความคิดของเราผลที่ออกมาก็เป็นความเดือดเนื้อล้นใจบทบทสวดที่พระเจ้าพานสวดเมื่อกี้นะพระเจ้าก็ได้บอกนะว่าพวกเราเนี่ยอยกต้องเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนะ ถ้าพวกเราจะไม่ไม่ต้องเป็นผู้ที่ร้องใจในภายหลังก็ต้องทำยังไก็ต้องพวกเราจะต้องเพียนเพียนเผากิเลสเพียนที่จะปฏิบัติธรรมกันตรงนี้นะฮะว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ก็ก็เรียกว่ายืนยันกันมาตลอดหลายครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่ก็ได้ยืนยันตรงนี้ การที่เราจะกลับมาดูจิตดูใจของเราการที่เราจะกลับมากลับมาหาตัวเองนะกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่สมคัญที่สุดของการเกิดมาเป็นคนของเราเพราะว่าหน้าที่อื่นๆก็จะเป็นเพียงแค่หน้าที่ที่ ทำให้เรามีกินมีอยู่ไปวันวนหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะมีกินมีอยู่ไปวันวนหนึ่งตรง น, นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีทุกศโศกโรคภัยเราจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยก็ได้ทํางานทําการตามปกติของเราแล้วก็ได้กลับมาสํารวจจิตใจของเราผ่านการที่ ใช้กายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้สร้างนิสัยใหม่อันนึงขึ้นมาก็คือนอกเหนือจากว่าการใช้กายทํางานเราก็มีงานอีกอันนึงก็คืองานที่กลับมาดูความเป็นไปของจิตใจเราตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกเรียกว่าทุกหมดที่พุทธเจ้าสอนเอาไวนะ้ก็จะเป็นบทที่ตลับมาสู่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับ กลับมาสู่เรื่องนี้เรื่องนการที่เรากลับมาดูแลจิตใจเราก็จะทําให้การเกิดมาในชาตินี้นของเราเนี่ยเป็นการเกิดมาอย่างที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าตรงเนี้ยเราเกิดมาเพื่อเพื่อที่จะมาสะสมคุณงามความดีในชาตินี้ซึ่งคุณงามความดีที่พวกเราสะสมกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พาให้ชีวิตของพวกเรา ไม่มีทุกกัแต่ตรงนี้เป็นเเรียกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเขาเรียกว่าถ้าพวกเราไม่ได้ผ่านเข้ามาไม่ได้ผ่านเข้ามาในอืมเ็วลาไม่ได้ผ่านชีวิต เข้ามาอยู่ในแวดบงของการปฏิบัติธรรมพวกเราเองก็จะพบว่าชีวิตก็จะลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่ตลอดเวลาชีวิตก็จะไม่ก็เรียกว่าไม่สัมผัสก็เรียกว่าความจริงของชีวิตนะพวกเราก็จะใช้เพียงแค่ในการสัญชาตญาณความหิวความง่วง ความอะไรต่างๆหน้าเรานี่ก็ใช้ไปตามสรรพที่ยั่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่ซึ่งทั้งหมดมันก็เหมือนกันทําเหมือนกันจะเป็นเป็ดไก่หมูหมาจะเป็นอะไรไงก็ตามเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกันนครเขาก็อยากกินเขาก็อยากนอนเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้สิ่งที่ความเป็นคนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพิเศษเป็นสิ่งที่เป็นพิเศษขนาดที่ตําเนียกว่า เทวดาเนาะก็ยังต้องมาถามพระเจา้าใช่ไหมนะว่าทำยังไงชีวิตถึงจะมีมงคลครตรงเนี้ยนะฮะเป็นสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เกินความจริงว่าถ้าหากว่าคนเราได้พัฒนาตัวเราเองพัฒนาจิตใจตัวเราเองความเป็นความเป็นศักดิ์เสด็จเนาะก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้พัฒนาจิตใจตัวเองจิตใจอันนี้เนี่ยก็จะถูกพัฒนาไปอีกทางอย่างที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราก็คอยตามใจตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยการที่พวกเราตามใจตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทีละเลกทีละน้อยจิตใจเราเนี่ยก็จะผูกเขาเรียกว่าถูกกิเลสแล้วเข้าครอบงากิเลสก็เป็นใหญ่แล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยผูกเขาเรียกว่า ถูกตันหาถูกกิเลสเนี่ย <Yeah. S 1> ใช้หัวปักหัวปาก uh huh. อย่างเขาเรียกว่าเราจะเห็นการที่คนทําตามใจตัวเอง uh huh. ทําตามใจตัวเอง uh huh. ผลของการตามใจตัวเองคนที่ตามใจตัวเองมากๆ uh huh. มันก็จะมีผล uh huh. ผลร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตเขาไม่อย่างใดก็อย่าง uh huh. ไม่ว่า คนนั้นจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ตามเนี่ยเราจะพบว่าการตามใจตัวเองอย่างถึงที่สุดของแต่ละคนแต่ละคนท้ายที่สุดเนี่ยตัวของคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับทุกรับโทษให้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่ตลอดมากรณีว่าตรงนี้ว่าถ้าพวกเราได้เห็นโทษภัยของการตามใจตัวเองตรงนี้เนี่ย การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชุดให้พวกเราเนี่ยได้ขึ้นมาจัดภัยของจิตใจของตัวเราเองที่เราตามใจตัวเองมาตลอดเพราะฉนั้นนั่นคือตรงเนี้วิธีการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อเทียนสอนที่หลวงพ่ออมเขียนต่อมาถึงพวกเราที่พระอาจารย์รับรับมารับช่วงมาต่อมานะครับให้พวกเราได้หัดทำกันตรงนี้นะเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่ เป็นสิ่งที่หนึ่งแนละ้แล้วให้ผลได้จริงๆอย่างที่พระเจ้าโนบกบอกแนะนําเมื่อตอนบาน่ายนะเราเริ่มต้นที่แก้ปุ๊กนะของพวกเราคือการที่เราหัดวางนะอย่างเมื่อเมื่อบ่ายฉะนั้นก็แบว่ามีเรื่องของการที่เราปฏิบัติทำแล้วก็เกิดเจ็บเกิดปวดใช่ไหมฮะก็อันนั้นมันก็เป็นสิ่ง พระอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตนะทุกชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเรื่องนั้นบางด้วก่อนถ้าหากว่าเราไปติดข้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราก็ชะงักลงคือการปฏิบัติธรรมก็จะเรียกว่ามันมีสิ่งที่เป็นขวัดหนานนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ขวางกั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็น มากมายมากมายไปหมดนะแล้วก็อยู่ในรูปแบบต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยหยุดนะหยุดการปฏิบัติธรรมจะเป็นความว่วงก็ดีนะจะเป็นความลังเลสงสัยก็ดีจะเป็นความการกลัวความเจ็บปวดล้มตายก็ดนะีหรือว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรแยะๆไปหมดนะครับ ซึ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยถ้าเกิดผ่านเข้ามาแล้วพวกเราก็ไปติดข้องอยู่ตรงนั้นจะเป็นความร่วงเหงาเขานอ น, นอแล้วเราเองถ้าทำตามเข้าไปเราก็หยุดการปฏิบัติธรรมจะเป็นเรื่องความรังเลยสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วเรารับเขาเอาไว้จนตัวเป็นตนเราก็หยุดอีกนะฮะอยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะให้พวกเรายได้มั่นใจอะไรอันหนึ่งว่า การปฏิบัติธรรมที่พวกเรากาลังทำอยูนะ่สิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตเราจะไม่มีปัญหาชีวิตเราจะไม่มีทุกข mm ์ hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตนะเป็นสิ่งที่ไม่น่ามีอะไรสำคัญไปกว่า น, นี้แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะมาชวนเราออกจากลู่ของการปฏิบัติธรรมออกจาก การปฏิบัติธรรมไปไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยรับรองได้เลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องให้พวกเราเมีระมัดระวังกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้น้องวพระเจ้โน้นก็บอกว่าถึงม่วงก็แบบเราก็ยกมือไปเนาะเราตั้งใจ ย, ยกมือไปความม่วงก็ม่วงไปแต่ว่าความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่เราก็หวางไม่ได้เหมือนกันแลอย่างนี้ ถึงแม้ว่ามันจะมีความเมื่อยคําเพียอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมไปยกมือไม่ได้ก็าหายใจเอาใช่ไหมฮะรู้สึกตัวไปอะไรอย่างี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าหกากเราพวกเราได้ไม่ถึงเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าหลวงพ่อคาเขียนจะบอกว่าให้เราฉวยโอกาสทุกโอกาสให้เราฉวยโอกาสขนาที่เรียกว่าช่วงงู แรบลิ้นก็ได้ช่วงช้างสะบัดหูก็ได้แต่ว่าเสียนจะเรียกว่าพูดติดติดปากอยู่เสมอๆนะครฮะยังไงก็ได้นะชั่วงูแรบลิ้นชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแรบลิ้นอย่างนี้ยังไงก็ได้นะดงไงไดรู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นไรนะช่วยโอกาสสมัยก่อนนี้ได้ยินคําว่าฉวยโอกาสามันมีความรู้สึกอายนะฮะอายมากๆเลยนะคําว่าช่วยโอกาสมัน เ, เป็นเรื่องไม่ดีนะแต่พอมากัว่า มันผ่านปากหลวงพ่อเขียนเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องที่เอ๊ะมันก็ถูกต้องนะถ้าหากว่าพวกเรารอโอกาสปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าร้องจะหาโอกาสที่ไหนแต่ถ้าหากว่าโอกาสนิดหน่อยแค่นั้นเองก็เอานะช่วยโอกาสรู้สึกตัวนิดหน่อยแล้วก็ช่วยโอกาสรู้สึกตัวตรงนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่าให้โอกาสพวกเราสร้างโอกาสให้พวกเรามองเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้สึกตัวเนี่ย แค่ช่วงเวล น, นเดียวก็ใช้ได้แล้วนะฮะไม่ต้องรอต้อเรียกว่าไม่ต้องรออืวัตถุอื่นสิ่งอื่นแล้วพ่อเกษจะพูดอยู่คํานี้นะครับแบบว่าอย่าเอาชีวิตเราเนี่ยไปแขวนไปห้อยกับวัตถุอื่นสิ่งอื่นคํานี้ก็เป็นคําที่ถูกใจมากๆเลยนะฮะ <c oughs> คำว่าไปแขวนไปห้อยเนี่ยเราก็จะเห็นนะอย่างสมัยเด็กๆใช่ไมนะ้มฮะเราก็ อาจจะมีคําพูดอยู่คํานึงที่เราบอกว่าคนนั้นก็ยังไม่ทําเลยใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็ต้องไม่ทําเหมือนกันหรืออะไรคนนั้นก็ยังทําได้เลยเพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็ทําทําได้เหมือนกันแต่ว่าเร า, เราลองคิดดูว่าคําที่บอกว่าคนนั้นถ้ายังไม่ทําเลยหมายถึงว่าเขายังไม่ทําดีและส่วนคนนั้นก็ทำํำยังยังทําได้หมายถึงว่าเขายังทำไม่ดีได้เราก็จะอย่างนี้นะหาขาอ้าเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้มองเห็นได้ เราอะเอาชีวิตเป็นแขวนไปห้อยไ้กับวัตถุอื่นสิ่งอื่นหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีไอ้นั่นตอนนั้นยังไม่มีไอน้นี่เรายังทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับคุณาอาจารย์ก็ช่วยช่วยแนะนําพวกเราะะให้พวกเราเนี้ยได้หลุดออกจากกรอบนะเหลือแต่ตัวเราเองเหลือแต่สติเหลือแต่กายเหลือแต่ใจจริงๆแล้วใช้แค่อุปกรณ์3าอย่างตรงเนี้ยนะครับนะนะสําหรับการที่เราจะมาจะเจริญสติกัน จเจริญความรู้สึกตัวกันซึ่งตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ได้บอกนะครับพระเจ้นโนตจะบอกอยู่เสมอๆไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ก็ได้ตรงเนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่คือไม่มีอะไรที่จะมามีปัญหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่านั่นคือไม่เป็นไรรู้ตัวกันใหม่ไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่นะหรือพระองคเจียนจะบอกแบบว่า อย่าเอาเหตุอย่าเอาผลอย่าเอาถูกอย่าเอาผิดนะอย่างนั้นกลับมาที่สุดโต๊ะกันก่อนนะครับคือคําพูดของสุราษฎร์ท่านหลายๆอยนาะงจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะพิจารณากันได้เลยการที่พวกเราเอาเหตุเอาผลกันนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันกันเอาเหตุเอาผลในกานคล้ายสุดกติกันนะฮะเหตุผลก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมีแต่ว่าใครเก่งกว่าใครใครถูกกับาใคร เป็นการนานๆแบบนี้ไม่เอาถูกไม่เอาผิดนะฮะเอารู้สึกตัวส่วนนะฮะอย่างงั้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นนั่คือตรงเนี้ยของพวกเราเนี่ยนะฮะการการปฏิบัติธรรมของพวกเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องเหตุเรื่องผลไม่เอาน ะ, ะเอาเรื่องความรู้สึกตัวอย่างเดียวอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวเนี่ยเฉยโอกาสไม่ต่ออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความรู้สึกตัวเวยโอกาสไม่ต่อตรงเนี้ยนะฮะก็หลวงพ่อก็จะพูดแนะนําน การปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจะบอกแบบว่าที่พักป่าจุ ก, กระโตหรือหลวงพ่อเนี่ยจะไม่มีการสอบอารมณ์กันนะอย่างี้หลวงพ่อบอกก็จะมีแต่เอ็กตกับมีแต่อ้อนะถ้าเอ็กตเขายังไม่ก่อนถ้าอ้อก็ผ่านไปเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเนี้ยก็หลวงพ่อก็จะบอกเอาไว้ให้เวลาที่เราปฏิบัติธรรมไปนะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมไป ถ้าเกิดมีเอ๊ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ตรงนั้นไม่ใช่นะฮะอย่างเเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันจะเป็นข้อแนะนําในการปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนเพราว่าผู้ที่แนะนําจะเป็นโลวงพ่อก็ดีจะเป็นพระอจารยนดก็ดีก็คือแนะนําจากประสบการณ์ที่ได้ทำเมื่อแนะนําจากประสบการณ์ที่ได้ทำเนี่ยบางครั้งถ้าเราไปถึงจุดนั้นอ๋อนี่ไง ที่บอกเอาไว้อ๋อนี่ไงที่บอกเอาไว้เขาอ๋อนี่ไงที่บอกเอาไว้แล้วก็ไปต่อเลยนะฮะอันนะี้ก็ไม่ต้องติดไม่ต้องท่องใัเพราะฉะนั้นก็นคือตรงเนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้หนึ่งก็คือได้เริ่มต้นปฏิบัติกันได้เริ่มต้นปฏิบัติกันด้วยการที่เราอาศัยตรงเนี้นะครับอาศัยกายที่เคลื่อนไหวนะครับ และอาศัยใจมารับรู้ความเคลื่อนไหวของกางตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญว่าถ้าพวกเราทําตามนี้นะครับทําตามนี้ว่าเราอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเป็นหลักนะเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้ใจกับกายก็จะมาอยู่ด้วยกันเป็นอันดับหนึ่งใจก็จะหนุบออกมาจากห้วงของความคิดนะฮะไม่เป็นอันตรายไปนะฮะไม่เป็นทุกข์ในทันทีไปแล้วอันนึงอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อนะ เอาใจกลับมาอยู่กับกายเอาใจกลับมาคอยดูแลกลายตรงนี้ความรู้ที่เราจะได้ขึ้นมาจากการที่เป็นผู้ดูที่เห็นกายเห็นใจตรงนี้การที่เรียกว่าความไม่เที่ยนะของกายของใจความเป็นฟุ้งของกายของใจและความไม่มีตัวไม่มีตนของกายของใจเราตรงนี้ <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราก็จะได้เห็นผ่านการดู เพราะว่าการดูตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่วันนี้เราเริ่มต้นนะเราก็จะได้เริ่มเห็นความไม่เที่ยงนะอย่างที่พระจันทร์นัดบอกก็มีนะเรื่องธรรมดายกมือยกไม้ไปทั้งวันก็ต้องมีเจ็บมีปวดใช่หฮนะตรงนี้มันก็เป็นไปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ก็มันไม่เที่ยงนะก็เราทำงานเราใช้ร่างกายก็มันเป็นปกติธรรมดาอยู่เราใช้เขามันก็ต้องมีเจ็บมีปวดเป็นเรื่องธรรมดา ใมะโอ้ยเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ถ้าเราเห็นหนูนะคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ค่อยๆปรากฏกับกับใจเราค่อยๆปรากฏให้เราได้เห็นหรือว่าสิ่งที่เป็นภูมิเนาะความเจ็บปวดของร่างกายก็เป็นเรื่องที่อืมมันก็เป็นภูมของกายเนาะแต่ทํานองเดียวกันเราไปกังวลกับความเจ็บปวดของร่างกายอันตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กายมันเจ็บแต่มันเป็นื ใจมันเป็นทุกข์ไปอีกอเี่เพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ก็เราก็จะเริ่มแยกยะไดงออกมาจากการที่เราเริ่มยกมือสร้างจังหวะกันอีกเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยนะฮะว่าสิ่งต่างนานาเหล่านะี้ความไม่เที่ยงเนาะก็ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนเดี๋ยวพอผ่านคืนไปหรือว่าผ่านมาชัช่วโงสองชั่วโมงไอ้ความเจ็บความปวดที่เมื่อกี้เรากังวลกันอยู่มันก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้นฮะ เพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้มนาะสิ่งที่ค่อยๆปรากฏขึ้นมาผ่านการที่พวกเราได้ลงมือปฏิบัติทำกันนะฮความจริงของชีวิตเราเนี่ยก็จะค่อยยืนยันให้เราเนะี่ยได้ชัดเจนแล้วก็การยืนยันที่พวกเราได้ชัดเจนตรงนะี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ท้ายที่สุดเนี่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อปฏิเสธไม่ได้ท้ายสุดเราก็ต้องก็ต้องวางนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา S <S เห็นอ้อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองอ้อนี่มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองพอเป็นอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนะไอสิ่งที่มันเคยทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะว่าการปฏิบัติธรรมเนะ ม, มื่อวางก็จะโน้นุษยะจะบอกคำหนึ่เนาะบอกว่าตรงเนี้ยคำสอนของคุบาจารย์เนะี่ยเป็นไปนะตั้งแต่เบื้องต้นเป็นไปตั้งแต่ท่ามกลางแล้วก็เป็นไปตั้งแต่ที่สุดนะก็คือคำสอน เราเริ่มต้นได้เลยนะทำๆไปถามมากจะต้องทำอะไรอีกก็กลับมารู้สึกตัวอีกครับกลางๆก็กต้องทำอย่างนี้อีกอยู่ดีหรือว่าท้ายที่สุดเนี่ยทำยังไงก็ทำอย่างนี้แหละท้ายที่สุด ก, ก็จะไปถึงจุดที่เราเรียกว่าไม่มีทุกก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนคือตรงนี้นนว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่มากนะไม่มากแต่ว่าให้พวกเราเนี่ยได้เห็นได้เห็นผ่านสิ่งที่พวกเราเนี่ยพิจารณากัน พวกเราเองอาจจะมีเขาเรียกว่าความเคยชินที่เคยไปสนใจเรื่องนอกตัวนะรเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเมื่อพวกเราเนี่ยกลับมาสนใจกับกายกับใจเราเนี่ยเราได้พิจารณาสิ่งที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันผ่านการปฏิบัติธรรมผ่านการรู้บ้างผ่านการหลงบ้างตรงนี้ น, นะครับมันจะทําให้พวกเราเนี่ยได้มีคําตอบกับชีวิตแลนะก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ยืนยันนะฮะว่ มาตอนบ่านี้แล้วได้คือไม่ว่าโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามซึ่งเราเองเราก็ยันไม่ได้สังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามเราก็ยันไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะทําได้ก็คือเราจะเอาการนี้ใจนี้เนี่ยมาทําคุณงานทําดีกันทาคุณงามคําดีด้วยการที่เพียงแค่กลับรู้สึกตัวกันกลับรู้สึกตัวกันตรงนี้นาะเป็นสิ่งที่ในเขาเรียกว่า ในชีวิตณบันนี้นะครก็มองถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะของสังคมก็คือตรงนี้การที่ทํำยังไงถึงจะทําให้คนรอบตัวเนะี่ยพุกน้อยลงนะการมีวัตถุสิ่งของเนะี่ยมันมีวัตถุสิ่งของแยกๆไปหมดลนะแต่ว่าถ้าเราคนนึงสามารถทําให้คนรอบตัวเนะี่ยมีพุกน้อยลงได้เนะี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ถือว่ามีคุณค่าที่สุดนะการที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนะี่ย การที่มองเห็นโดยเฉพาะคเขียนนะได้ช่วยแบ่งเบาเขาเรียกว่าทําให้คนนี่ทุกข์น้อยลงการที่ได้เห็นอาจารย์โน้ตได้ทําให้คนทุกข์น้อยลงการที่ได้เห็นอาจารย์กําพลทําให้คนทุกข์น้อยลงเนี่ยตรงนี้ฮะก็เห็นมากมันเป็นความส ม, สมัยที่สุดเลยนะฮะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ั้าสมัยแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าโลกจะก้าวไปยังไงก็ตามไม่ว่า ความก้าวหน้าของโลกจะไปยังไงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่แน่ๆก็คือคนทุกเนี่ยจะไม่มีทางออกนอกเหนือนจากวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เท่านั้นการที่เรากลับมาเข้าใจตัวเราเองเข้าใจความไม่ก็เรียกความไม่เพี่ยงของกายของใจเราความเป็นทุกข์ของกายของใจเราความไม่มีตัวตนของกายของใจเราเท่านี้เองจะเป็นคําตอบที่ สมัยที่สุดเหมาะกับทุกยุคทุกสมัยก็หลวงพ่อเกษมจะบอว่าการปฏิบัติธรรมเป็นธรรมสมัยที่สุดแล้วนะก็คอยพวกเราก็มั่นใจตรงนั้นแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับก็ให้พวกเราใช้เวลาที่มีอยู่ด้กันตรงนี้เป็นเวลาที่ปฏิบัติธรรมกันวันนี้ตอนเย็นในการรับประถามแล้วจะมีสื่ออะไรดูไหมอะไ้ายสุดอาจารยก็จะบปฏิบัติธรรมดีกว่า มันยืน อ, อยู่ตรงนี้เราก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ปฏิบัติความจำของพวกเรากราบพระพร้อมกันเร า, าแล้วลก็ปฏิบัติธรรม